การทำกันตอนชาตอนเย็นจะเป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติธรรมเราได้ฟังเ้าได้ทำเราได้ฟังสิ่งที่เราได้ทำเราได้ทํำในเสิ่งที่เราได้ฟังเกิดความสมดุล น, นอกจากนั้นเราก็อยู่กับธรรมชาติกับป ธรรมชาติเาก็ช่วยเราก็เกิดความสมดูล <c oughs> อย่าไปเก่งกว่าธรรมชาติให้ธรรมชาติจัดสรรเราความสงบเก่้อยู่ตามธรรมชาติทา้เราได้ สงบไปกับธรรมชาติด้วยคิดใจจะไปคิดสงสารมาอยู่กับธรรมชาติอยู่กความสงบอาจจะรู้ทอมขึ้นมาเองอาจจะให้ดูกับธรรมชาติจริงจริงอยากไป อย่ากให้มันเก่งอยากปรุงปรุงแต่ง แ, แ, แ, แต่บางทีความบริสุทธิ์ของธรรมชาติกลิ่นกลิ่นเสียงเสียงสมบุกกลิ่นธรรมชาติจากอากอาศจับใบไมๆให้เราเลยสัมผัสกับความสงบ ก เ, เข้าลอยยิงของเราได้เจริญสติเป็นคู่กับธรรมชาติเข้าไปอีกสติก็มีอยู่ในกายของเราเข้าไปอีกกายก็เป็นธรรมชาติส่วนะสติก็พาให้ดิ่งลงสู่ธรรมชาติทำให้เกิดความปกติหลายๆอย่างที่ช่วยเรา ที่ช่วยเราอยู่แต่ขอให้เราได้ช่วยธรรมชาติทยามที่จะสร้างสัรให้กลงกลืนนะอย่าแตกอย่าแยกอย่าดีๆของขวมอะไรก็ไม่ถูกอกถูกใจตัวเอง ชีวิตตัดสินเอานิสัยปัจจัยตัดสินเพื่อจะให้ได้ปรุงมันก็ไม่เยดีควมปรุงมันเป็นสังขารผลผลของสัง ข, ขารก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เลื่อนลอยมันจะชีวิตถ้อยไว้มน ยิ่งไหมแห้งๆสันขาดฉันหน้าข้ามยอดอยากต้องมันมนม่นคงมีความรู้สึกตัวกับกายกับใจหลับหลายๆอย่างที่มันทำให้เกิดเสียงเรล่อง้อในตัวเราดีเข้าลูกเข้ารอยเข้าที่ชีวิตที่เข้าที่ท เราก็จัดจัดการกับชีวิตตนเองแล้วเราทำงานทำการจัดการกับงานอย่าให้มันท้าให้มนสำเร็จเสร็จสิ้นสิ่งไหนที่ไม่ใช่ปกติสิ่งไหนที่ไม่ใช่ธรรมชาติก็จัดการให้ลงตัวหายใจเข้าหายใจออกมันก็ลงตัวลนะ เมื่อขึ้นยกมือขึ้นก็ลงตัวสู่ธรรมชาติได้ธร้มชาติก็ธรรมะก็คือธรรมชาติน่ะไม่ใช่ของปรุงปรงแต่งแต่ไม่ใช่ประดิกกระจร่ใช่โกเกไม่ใช่ไขว่คว้าเอาอะไรจะมันเลอเลิกไมใช่ธรรมชาติธรรมะธรรมะคือธรรมชาติในโลกก็เป็นธรรมชาติน้านก็เป็นธรรมชาติ ตัวในตัวเป็นธรรมชาติทั้งมองอะรให้เป็นธรรมชาติทั้ง <c oughs> นั่นเคยทำแค่นี้ได้หมดแล้วแต่ที่ไหน็อนนี้จะธรรมชาติช่วยเราธรรมชาติมันยิ่งใหญ่ถ้าเข้าสู่ธรรมชาติได้แก่อนไม่เปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่เกิดไม่เก่ไม่เจ็บไม่ตาง ตรงที่ไม่เกิดไม่เก็บไม่เก็บไม่ตายคือธรรมชาติตปกติความโกไม่ใช่ธรรมชาติคนปรุงความทุกข์ความรักความชังไม่ใช่ธรรมชาติควนปรุงตรงนั้นเาเป็นตรงที่เกิดแก็บเก็บตายตรงที่ไม่เป็นอะไรตรงธรรมชาติปกติอยู่เป็นนะิสตั้งไปถูกต้องนะ ตัวนี้เป็นตัวเทพภาวะที่ไม่เกิดไม่แข่ไม่เจ็บไม่ตายเราอยู่ไม่ไม่เรือวิสัยที่เราจะสร้างตัวนี้ขึ้นมาในตายในใจของเราในสติสร้างสติพยายามลูมันจะมีสิ่งที่ทำให้หลง พอเปลี่ยนความหลงเป็นความลู้พยันรู้เอาไว้เป็นทุนขยันรู้เอาไว้เป็นทุนก็ให้มีก็ให้มากทำใ้ได้กันมากได้ความรู้สิบตัวแต่ว่ามันก็หมดไปเป็มถ้าเา รักษาขันเฉยแต่ว่าไม่รักษาเมื่อเราหาพสมบัติอุอกาศภาษาหัวใจเศรษฐีอุก็คยอ่ะก็รักษากายมิตรเป็นกลยนมิตรกับตัวเองม่กุลายนธรรมกับตัวเอง เือคิดเป็นการคิดเป็นพูดเป็นทําเป็นในสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องประมาตประมาณในความคิดประมาตในคำพูดประมาตในการกระทำธรรมาชาติก็เสื่อมเหมือนกันแล้วเราเงินในทองประมาตในการใช้จกก็เสื่อมเป็นหมดเป็น ไม่มีกัญญาณมิตรไม่มีกัญญาณธรรมแลกคาบมาคาบคาบนี้มีเท่าไรก็ไม่ได้ครับมนี้ก็เป็นการละไม่มีกัญญาณมิตรกับตัวเองมีกัญญาณธรรมกับตัวเองกัญญาณมิตรภายนอกไม่มีเราก็เป็นกัญญาณมิตรกับตัวเองให้อุ่นใจ อยู่ที่ไหนอย่าว่าไปจามกรแทปกปป้อุ่นใจนั่งปิงน่นต้นไม้นั่งเจ้าอี้ในป่าเขบอุณนใจเหมือนว่าโลกเนี่ยมีตัวเราคนเดียวพออยู่ได้หรือว่าโลกเนี่ยเราคนหนึ่งทุกอย่างความหลเลืลนความสดชิ่นความเอาอุ่น เรนั่งอยู่านป่าคนเดียวพออะอกผลลมเลื่นชื่อป่าดักไม่ใช่เหี่ยวแห้เพราะว่าพราะองค์หว ง, งหน้าองหลับไม่ใช่วันี้เราต้องสร้างก่อนนะแต่กาเรียกร้องอะไรมากรารเรียกร้องมันทําให้เหือดแห้งมันทําให้เหี่ยแห้งทาให้บกพร่องความอิ่มเ อ, อิบความสดชื่นมันมันทําให้ ไม่บกพร่องต้องไม่ผู้ดมสมบูรณ์ของชีวิตนะต้องสร้างให้เป็นสร้างตัวสร้างตนให้เป็นตนคือที่พึ่งให้เป็นในตนเป็นที่พึ่งเพราะตนสร้างสร้างมาดีในแต่กันยานธรรมนอกตัวมีเมตตากรุณามีความอดทนมีความให้หอภัยมีการเสียสละ มีสติสมัชัญญะมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีมรรคมีผลนุตรมุ่งไปหมดเลวทำยอมรักษาผู้ประพัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนะแต่ถ้าเราไม่ศึกษามันก็หลุ ด, ลดขัดทีวิเราณคอยที่จะขาดคอยที่จะหลุด ไม่มั่นีวิตที่ไม่มั่ีวิตที่ปอบกบาดกลายเป็นใจประใจสอกใจปลอกบาดไม่ทนควารู้สึกตัวความรู้สึกความละเอียดระความปกติพาให้ใจิตใจเข้มแข็งคงทนทนจนไม่มีวันเกิดวันแกวันเขียบ ว, ว, วันตายวัมันเกิดลองเลยสองสารมันเกิดปวดหนวดปวดนิ่ รสรความปวดก็รู้สึกตัวละความง่วงก็รู้สึกตัวละความคิดผงซ่านก็รู้สึกตัวละมันมีอยู่ในทุกอย่าง <commencer> ความรู้สึกตัวไม่ใช่กาเลือกที่นะเราจึงสวดพระพุทธเจา้าจึงแสดงว่าอาการดิโกอาการดิโกไม่มีการไม่มีเวลาทำเ น, นี่ยความรู้สึกตัวไม่มีการไม่มีชั่นวันนะักไม่ใช่ลัทธิไม่ใช่เนืาอ ไม่ใช่เพกไม่ใช่ไหวนะเป็นความรู้สึกตัวไม่มีการไม่มีเลวลาสามารู้ได้เอาไปรูนะ้เลยที่มันลงมันจะเด็กมันจะเด็กมันจะมีฝีมือแต่มันหลงเรารู้ได้นะจะเรียกฝีมือเหมือนคนทํางานที่มีฝีมืออะไรที่มันเก็บเข้าไปแ่เรียกหาคนมีฝีมือเข้าไปแฉแก้ได้เราเรียกว่าเก็บ เขาก็เจ๋งตรงว่าขแก้ไดถ้าคนที่ไม่เคยแก้ใช่ไหแล้วก็ไม่เข๋งสักทีในความทนในขนาดที่มันล่มเลวหรือันขาดที่มันพ้อนแย่งข้อนแปรโบราณธาเป็นบัณฑิตเพราะถูกตักเตือน ไม่ใช่เป็นบัณฑิตเพราะธนุถนอมต้องขนาดแล้วขนาดอีกจึงจะเป็นบัณฑิตแหละเหมือนรเราที่จับ ก, กับพระอนุนเราจับขนาดแล้วขนาดอีกไม่มีหยุดเราจะขี่โทษแล้วขี่โทษที่ไม่มีอยู่ผู้ใดมีแก่ฑสังจึงจะทนอยู่ได้มันจะทนเวลาที่โข ก, กว่า ตืนใ น, ในภายนอกในภายในเราก็พยายามเตือนหรอเวลมันง่วงมันจะตื่นเวลามันง่วงมันอ่อนแอมันจะตื่น้วมาเวลามันอ่อนแอมันคิดผุ่งสัว์มันจะสงบขณะถึงมุ่งสัว์ นั่นก็งี้แต่บทฝึกเรียนทั้งนั้นการเจริญสติได้บทเรียนไม่ใช่เราไปนั่งเราหูลับตาบริกรรเข้าไปหันใจบริกรรมเข้าไปอ่อนเข้าไปสงบกเข้าไปเลยไม่มีบทเรียนเลยอ่อนไปเลยการเจริญสติแบบที่เราทำเนี่ยมันได้บทเรียนมันเ ท, ทุกอย่างผ่านทุกอย่างผ่าร้อนผ่านหนาวทุกอย่าง นนมันก็ได้อบมันก็ได้คุณภาพผ่า น, น้นาวก็ได้อบได้คุณภาพเหมือนเหมือนแรกที่มันจะเป็นทองคำได้มันต้องผ่านอบอกมาจะมีคุณภาพหรือมีผ่านอบผ่านล้นมามันจะมีคุณภาพแข็งแกร่ง ไม่ใช่อะไรที่มันหลอ่ออ่อนอ่อนลูกลูกคําำไม่ใช่การเจริญเสติไม่ใช่การลูกคำไม่ใช่การลูกคำไม่ใช่ทนุกถนอมผจญเผชิญกับทุกอย่างการเจริญสต็จผจญกับทุกสิ่งทุกอย่างเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างพอนออกไปแล้วเหมือนเหมือนปวง นอยขาดแม่ขลนะะที่มีแม่มันก็อ่อนแอเวลามันขาดแม่มันก็ไปเชิญกระทุกกระทั่งอาตัวรอดได้แนะต่วทเรยนเก่งนะอะไรเก่งกันเองหลบรู้จับหลบรู้จักการรู้จับเวลาชีวิตของเราก็มันกัน การเจริญสติเนี่ยมันเปิดเผยไม่ได้ปิดตางตัวเองเลยเปิดอะไรจะมาก็มามันเราเลื่นตาจะเห็นอะไรก็เห็นไม่ใช่หลับตาลบหลิกมันจะเอาชีวิตรอดได้พอเรามีตามันมองอะไรนี <c oughs> <c oughs> คนมีสติก็เหมือนมีตาในเห็น คิดเห็นกระทั่งกิเลขไม่เคยเห็นความคิดตัวเองก็เกิดเห็นความคิดตัวเองไม่เคยเห็นสิ่งที่ทําให้เศ้ามองก็เห็นสิ่งที่ทําให้สมองพร า, าสติมันอไม่ไ ม, ไม่ไม่เหยียดไม่ปิดบงังสติเป็นสิ่งที่ไม่ปิดบังอําพรเป็นสิ่งที่เปิดตัวให้ให้เห็นเหนชีวิตเราเปิดตัวต่อกัน แต่สามีปัญญาเขาเปิดในความรักกันพิจารณาแล้วก็เปิดออกรักเกิงรักแท้รักเทียมเพื่อนแท้เพื่อนเทียมมิตรแท้มิตรเทียมก็เปิดออกมาประทัดเสินใจได้ที่วิญญาต้องปันการเจริญเฉลีเห็นความคิดมากเห็นความง่วงมากเห็นความปวดความเมื่อยมากเห็นอาการต่างๆ ที่มันเกิดขึ้นกับตายกับใจมีสติเลื่อยไปจนตอบว่าอะไรคืออะไรอะไรคือโูกอะไรคือนามอะไรคือธรรมโลกธรรมโลกโลกโลกทุกนามโลกนามทุกโลกทุกนามทุกโลกโลกนามโลกสมมุติ มันอยากวัตถุอาการต่างๆที่มีอยู่ในรูปในนาวัตถุอะไรที่มันเกิดอาการออกมาแล้วก็เห็นเห็นแล้วก็จบไปจบไปจบทีเดียวเห็นความโกรธความโบดความโกรธตกงไม่เป็นอะไรคือความโกรธแล้วมันคืออะไรมันคือคือความโกรธความโกรธไม่ไปคิดกัหลักเห็นความหลง เห็นความไม่ลงเลือกได้เาหเห็นความโกรธเห็นความไม่โกรธเห็นความโกรธเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธมันก็ขยันตท่านัเห็นความหลงขยันเปลี่ยนความหลงเป็นความไม่หลงเห็นความทุกข์ขยันเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์อ่ามันก็กัดเรียกว่าปฏิบัติแมันขยันของมันเองแต่ก่อนไม่ขยันเพราะตามพ่มีสติแล้วมันเกิดการขยัน รู้จัด ก, การและเทสะเวลามันหลงก็เปนนนลี่ยนเะป็นความรู้ไปมันรู้จักการและเทสะมันรู้จัดจัด ก, ก, ก, ก, ก, การกับตัวเองนะคนมีสติจะจัดการกับตัวเองเก่งที่สุดไม่เหมืนอนจัด ก, การกับคนอื่นนะนักจัดรายการอันโ น, น้นอันนี้เออมันก็เป็นโลกสมมุติของโลกไปบางคนก็บรรยากาศตัวเองว่าดีว่าไม่ดีอันดีไม่ดีนะ่นมันยังเป็นโลกอยู่ถ้ามันอยู่ในตัวเรา อ, อ, อันนี้เราถูกเป็นประมาตนะการจัด ก, การกับอะไงมันเป็นประมาิมันจริงนะมันจริงเช่นความโกรธเป็นความไม่จริงความไม่โกรธจริงขวบประมาตนะใครใครบอกไม่มีใครบอ ก, บอกปัจจจตังปัิจจตังเห็นเราเองนะความหลงนะไม่เป็นธรรมความไม่หลงเป็นธรรมวถูกต้องขวบ นี่เรานามัตนี่จัดการกับตัวเรานีงผู้ปฏิบัติคือจัดไปจัดไปจัดไปจัดไปจนเรียบง่ายจนเรียบจนเป็นมิตรภาพมิตรภาพในชีวิตไม่เป็นอื่นแล้วล่คงเส้นคงวาดเหื่อการเกิดแก่เจ็ตายไปทดลอนั่นต้นนิสตีนะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างอื่นนะไม่ใช่รอรอคอยคอย ไม่ใช่รอคอยไม่ใช่คำนึงคำนวณมันในสติปัตยก็เป็นตัวปฏิบัติไปลงตัวไปเลยลูกก็ลงตัวมันลงโลกก็ลงตัวไปมันปฏิบัติมันทําไปในตัวตัวสติมีการกระทําไปในตัวเป็นกรรมไปในตัวเปลี่ยนกรรมร้ายเป็นกรรมดีชนะกรรมไปในตัวหมดกรรมไปในตัวไม่ใช่อ้อนวอนขอร้องเป็นการกระทำของตัวเองน คนเดินสตินะด้วยปีมือเราด้วยมือของเราเองนะนนกานเดินสะติน <c> ะ <oughs> ไม่เหมือนเราไปทำมันเลยการทําำมันต้องในเหตุปัจจัลายอย่างรอผูอ้รอคนรอหัวหน้ารอผูอ้หลักผู้ใหญ่รอเวลาวันนั้นวันนี้อันนี้ใช่นะเป็นตัวปฏิบัติที่เป็นกรรมที่อยู่กับมือที่การกระทําของเรา เรีว่ากรรมฐานวิชากรรมฐานนักภาวนาเนมันนี้อะไรที่จะเยี่ยมไปกว่าวิชากรรมฐานการศึกษาชีวิตที่มันมีผลลัพธ์มีบทเรียนมีประสบการณ์มากวิชากรรมฐานเนี่ยมันหลงเห็นไหมมันลู่เห็นไหมตัวลูกับตัวห ล, ลงมันเป็นยังไงลองคิด แต่มันรคิดับตั้งใจคิดมันเป็นยังไงควรที่จะใช่ส่วนไหนเลือดลเป็นชีวิตที่เลือดละการปฏิบัติธรรมเอาให้ถูกต้องที่สุดเป็นสมมาธิฏฐิที่สุดสมมาทิฏิในความคิดสมมาทิฏฐิในการพูดสัมาทิติในการประทขสมาธิฏิไปอยู่ในทุกขนทุกแ่ในมิจฉาทิฏฐิ อาที่ใดมีมิจฉาชารถิติที่นต้องเป็นสมาธิทันทีเพราะผู้ปฏิบัติทำมันจะเป็นขนาดอย่าระพุทธเจ้าแสดงธรรมาจักกะวัติตมสุทธเรื่องทางเรื่องทางสุดตรงเรื่องทางตันเรื่องทางทานโปรดด่คนฟังก็ปัญญาคนทันยะฟังเห็นด้วยทําตามไปด้วยเป็นโลแจง ทางใจนั่งอยู่เฉยๆคนเดินไปเดินไปนะเดินไปสู่ความลู่นีไปจากความหลงไกลไปเรื่อยๆนั่งอยู่แค่เดียวก็ไกลไปเรื่อยๆไกลความหลงไปเรื่อยๆไกลความโง่หลงงมงายไปเรื่อยความเทศเดี๋ยวนั่งอยู่เดี๋ยว็ไกลไปไกลจากธาตุศึกไกลจากกิเลมมันกลายไป ไกลทางวัดพัฒนาวัฒนะรรเจริญขึ้นของชีวิตนะแต่ว่ามันอยู่ต่ำๆพอฟังไปฟังไปมันสูงขึง้นสูงขึง้นสูงขึง้นอ่าเลยเป็นพระอริยรโดยไม่รู้สึกตัวไกลจากข้าศึกตัวแะ่รู้สึกตัวแต่ละครความโกรธอยู่ใกล้ๆแต่เนี่ยความโกรธมันไม่ใกล้แลความทุกข์อยู่ใกล้ๆแต่เนี่ความไม่ทุก ความทุกข์มันอยู่ใกล้ๆความไม่แต่เรื่อความไม่ทุกข์อยู่ใกล้กว่าความไม่ความทุกข์อยู่ไกลออกไปนะไม่ได้จะให้ไปโกรธจะให้ไปทุกข์จะให้ไปหลงมันมันมันหมดความสามารถมันเป็นไปไรอย่างแต่ก่อนนั้นมันง่ายมันง่ายมันรักง่ายมันติดง่ายแนี่มันมีคุณภาพมันไม่ติด จาาเราทิ้งก้อนหินใส่ปาพนางังมันไม่มทางที่ติดได้แต่ก่อนมันเหมือนดินหยวทิง้งใส่ป่าพนังก็ติดนะถ้าเห็นโลกโพดูยินเสียงเต็มไปที่ดินในรถมันก็ไปกลประเทีมันไม่เป็นอะไรมันก็มีคุณภาพ มันทำเป็นวันคนมีฝีมือทำงานทำการเองนั้นใส่รุงนี้มันคนมีฝีมือทุงอาหารให้เป็นรถยังไงจะให้เป็นยังไงอันอนี้ก็ะมืนกันมีฝีมือใช้ชีวิตบริสุทธิ์ ก่อนนี้ไม่มีทีมันใช้ชีวิตพะ ล, ลุงพะหลงยุ่งเหยออะอะลาเฮเวกันจับขันทา่าเป็นของหนักจะ่นี้กลายเป็นของเบาเรียกว่ากายละหัตายความเบากายคิดตแต่ละหัตาความเบาคิดแต่ก่อนมันหนักหนักพะ ล, ลุงพัหลอะลาเฮเวกันจับขันท่าขันท่าหน้าเป็นของหนักเลิศ เต็มไปด้วยลูกด้วยเวทนาด้วยสัญญาด้วยสังขารด้วยวิญญาณหนักอึ้งบางทีเวทนามไม่พอไปซื้อเอาผมคื้นเอาสัญญาเลยเจ็บเอาเจ็บเอาเก็บเอาความรักก็เจ็บเอาอความชั่งก็เจ็บเอา ความยินดีความยินได้ก็มเมเจ็บเอาความสุขความทุกข์ควคเจ็บเอาบางทีก็พ้นเอาอสังขารก็ขยันขยันปุงเราเกินอยู่นิ่งๆไม่เป็นเกินเกนเป็นความกลางวันเป็นเซลขยันปัจจุบนันไม่เป็นมันไม่มีนะมันไม่ภาวะที่ไม่ปรุงนมัน มันมีทุกอย่างภาวะที่ปุงมันขาดแคลนความไม่ปรงมันอุดมสมบูรณ์ตัววิสังขารเราเห็นอยนีนะ้ปฏิบัติทำรู้จับพอยกมือซ า, ากจังหวะรู้สึกตัวพราริ่มสึกตัวไปมันหลงไปเอากลับมาหาความูกความไมู่กวิธีนี้เอาทานอื่นหดันเดเตือนเตืนจงกลมว่าให้รู้สึกไปรูส้สบายสบายรู้กปกตินะ ปกติไปก็ทำไปแค่นี้แหละส่วนลูปของมหลงแค่นี้แหละถ้ามันเกิดอาการเห็นเห็นรูปเห็นน้ำนึอว่าได้หลักฐานได้หลักฐานนี่มันเป็นส่วนรูปนี่มันเป็นส่วนน้ําได้หลักฐานเอาหลักฐานไปไปเฉลยไปเฉลย ชีวิตไม่ต้องมีโจย์ไม่ต้อ ง, ม, อ ม, องมีโจทย์ที่พอไม่ถูกเป็นจมเลยเพรเราได้หลักฐานแล้วมอนคนมีหลักฐานประกันชีวิตเรามีหลักฐานประกันทุกเกิดถึงมากถึงคนเพื่อจะต้องไม่อยู่ในภพชาติหลักฐานเห็นโูกเห็นนาม เห็นลูกเห็นนามในลูกมีอะไรแย่แยในนามมีอะไรแย่แย่กระมอกไปส่วนลูกส่วนนามมันไปมันคนละเรื่องกับตัวเราเลยเห็นเวทนาก็มันก็เป็นเรื่องของเวทนา <c oughs> อ่าบางทีขอบคุณด้วยเวทนาเวทนาของลูกเวทนาของนามมันมีเป็น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 มันเป็นเรื่องดีธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นามหนาวสัญญาณภัยธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ใช่เอามาเป็นทุกข์เบญนาก็เป็นทุกข์สัญญาก็เป็นทุกข์สังขารก็เป็นทุกข์วิญญาณก็เป็นทุกข์มันไม่ถูกเบญนาไม่เป็นทุกข์สัญญาไม่เป็นทุกข์สังขารไม่เป็นทุกข์วิญญาณไม่เป็นทุกข์เพราะัน ใช่เป็นอย่างใช่อูนั่นมันเห็นแจ้นั้นก็เราเห็นความหิวบางคนเอามาเป็นทุกข์ไม่ใช่เรื่องเป็นทุกข์เลยความหิวเป็นความร้อนความหนาวความปวดความมั่วไม่ใช่เป็นเรื่องของความทุกข์แต่คนที่ไม่เคยรู้ไม่เคยศึกษาเอามาเป็นเรื่องทุกข์หนาวก็เป็นทุกขรนเป็นทุกข์หิวเป็นทุกข์เก็บป่วยเป็นทุกข์ไม่ใช่อันนั้นเราเกลียดแล้วเราเปลียนแล้ว ความรอดความหนาไม่ใช่เป็นเรื่องทุกเป็นเป็นเอามาเป็นปัญญามาเกิดปัญญาสิ่งเหล่านี้หลยเอตนาก็เป็นปัญญาสัญญาก็เป็นปัญญาสังขารเป็นปัญญาวิญญาณเป็นปัญญาพระพุทธเจ้าทรงสัสอนสาวกทั้งหลายเป็นส่วนมากพระสาวกทั้งหลายก็รู้เรื่องนี้เป็นส่วนมาก เอวังโคลังสาวกอเคเป็นันที่เราสวดคำบัตนะพระพุทธเจ้าย่อมทรงแนะนาสาวกทั้งหลายเ่นี้เป็นส่วนมากไอ้วังกัจจานาสาวโอะกโตสาวโเคสอนุซาเสนอนุซาเสนคือมากนะทรงสาวกทั้งหลายก็รู้อย่างนี้เป็นส่วนมากเลยเปี่ยน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 ของปุถุชนอาเรียชนอาเรียบุคคลไม่เป็นโทษเลยมันเป็นกัญญาเหมือนคนมีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเอาไฟฟ้ามาใช้เป็นประโยชน์แต่คนไม่มีความรู้เอาไปใช้ไฟฟ้ามาลงโทษตัวตายไปไปเล่นไฟตัวตายปกไป <c oughs> เอาลูกมาเป็นประโยชน์เหมือนกับพุ่งแหงขีดข้ามฝา มาชเอามาแบกบเอามาอวดเวทนาก็มนุษย์ธรรมละเวทนาก็เป็นโทษอ่ะเวทนามาเป็นโทษเวทนาเอามัเป็นเครื่องมนุษยธรรมอ่ะปัญญามาเป็นเครื่องมนุษยธรรมสังขารมาเป็นเครื่องมนุษยธรรมพ้นแล้วไม่ทําอะไรให้เราไม่ได้เห็นลูกลูกทุกข์ลู ก, กลูกลู ก, ลก ธรรมาชาติอาการในรูกมีอาการเยอะแยะในนามก็มีอาการเยอะแยะกิเลสก็มีอยู่ในรูปกิเลสก็มีอยู่ในนา้เทศที่มันเป็นาาราภานที่มันมาเก่อมาใช้รูปใช้น้ำให้เป็นกิเลสรูป ก, ก็คือร่างกายนี่นามก็คือคิดใจกิเลสมันมาใช้นาำให้ให้เป็นกิเลส ให้นามเป็นกิเลสให้เข้าข้างกิเลสกิเลสอะไรใช่ลูกให้เกิดกิดเลสเข้าข้างกิเลสรับใช้กิเลสรับใช้ความชั่วเอามารับให้เอามารับใช้เพื่อเป็นทุกข์เพื่อเป็นสุขให้ลกูกให้นามมารับใช้สุขมารับใช้ทุกข์พอมาเห็นโลกให้ น, นามแล้วก็บอกเลยว่าต่อต่ต่อแต่นี้ไป นะต่อแต่เน่ไปจะไม่ใช่รูปใช่นามให้ทําชั่วคิดชั่วแต่ก่อนเน่มันใช้รูปนามมันเอามาคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วเอามาทําให้เกิดทุกข์เกิดโทษแต่นี่ไปจะไม่ให้มีโทษอยากใช่รูปใช่นามเป็นประโยชน์ามาเป็นเครื่องมือเป็นประโยชน์อค่นี้นะมันเจงว่าอยู่ในกํามือของเรา พอเห็นแล้วก็ใช่เห็นแล้วใช่เก็งแต่ก่อนไม่เห็นก็ใช่อะไรไม่เก่งเะใช่ไม่เป็นเลยใช่ตายก็ไม่เป็นใช่ใจก็ไม่เป็นเอาทีใช้ให้เป็นความล็อกความชางความโศกความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงสิเลตเทน่าไปไปโน่นนะก็เลยใช่ผิดประเภทใช่ผิดประเภทมันผิดศีลศีลของพระเ้าวไม่ใช่ศีลสมาถาน ใช่ลูกใช่นามเป็นนี่ได้เป็นผู้มีศษอะไรนหมนก็คนใช่อะไรผิดประเภทนะใช่ลดผิดประเภทใช่อะไรที่เป็นกดต่อยเขาบังคับไว้เพื่อความเป็นถคุ้มครองคุ้มครองผู้ไม่สุขุรีห้ามสุขุรีในห้องน้ำห้ามสุขุรีในสาธารณะ สูุดี <c oughs> ผิดที่ก็ผิดกฎหมากอ่าเป็นโทษโเราตัวเองแลยคนชิวิตเราก็เหมือนกันความเป็นธรรมนมันโอ้ถ้าตั้งต้นจะกตัวเราแล้วเนี่ย p e จริงๆกลับไปเถอะกลับไปบ้านไปเป็นสามีที่ดีไปเป็นภรรยาที่ดีถ้ามีแล้วนะไปเป็นแม่ที่ดีไปเป็นเพื่อนที่ดี ไปทำงานนีม่มันสำเร็จประโยชน์ไปดูแลไปช่วยนะคนที่ต้องการให้เราช่วยอยอะเยี้ยากเห็นเราเป็นคนดีนะเพื่อจะได้เครื่องพอาสติสามีก็อยากเห็นภรรยาเป็นคนดีภรรยาก็อยากเห็นสามีเป็นคนดีจะดีจริงๆนะเพราะมันตัาเก่าพ้นพอว่าเก่าเพราะว่า อ, อควหนที่ตองเคแก้ข้อ น้องชายน้องชายเห็นที่สาวเห็นใบหน้าที่สาวก็เลยท่วงขึ้นข้าพเจนี่ยขาดบุญนะอ่าดูหน้าพี่เนี่ยเป็นคนขาดบุญแรงที่ยว่าเที่ไม่ไไม่ค่อยได้ทําบุญเป็นชีวิตที่ขาดบุญมากๆไปเถอะเที่ไปทําบุญเดือดร้อนอะไ ร, ระก็ขอไหว้จีน ที่ก็ไม่มีกาสทามุลเลยนอนก็ไม่ค่อยจะหลัคิดมากคิดมากจนหลับข้อค้อนคืนไปแล้วตื่นก็ตื่นสายไม่ได้ใส่บาตรไม่ได้ทำบุลอะไรเขาตื่นขึ้นมาก็งานกดทับเข้ามาจะไม่ทำก็ไม่ได้งานมันทับเข้ามามาบังคับให้ทำก็ทำไปเหน็ดเหนื่อยอ <c oughs> เหน็ดเหนื่อยมาก ขถึงเวลาจะนอนก็นอนไม่หลับคิดเรื่องโ น, น่นเรื่องนี้มีแต่ปัญหาลูกก็เป็นปัญหาสามีก็เป็นปัญหาอ่าจะทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆทุกวันทุกเวลาจะแยกกันก็แยกไม่ออกจะแยกไม่ได้ทำพ่าจะแยกกันก็ไปไม่รอดแยกไม่ได้แล้วอยู่ด้วยกันก็มีแต่ความโง่เขลทรงชัอ ง, ช อ, งอุ๊อ่ะันก็มาปฏิบัติธรร ปฏิบัติสุกโตพอมาปฏิบัติก็เย็นลงขึ้หนอ่อกลับไปว่าสามีเห็นภริยาแปลกเอ๊ะมันเลือกอะไรเกิดขึ้นอ่ะอเกิดเรื่องอะไรขึ้นทํำไมจึเป็นคนละคนคออกไปว่มามาด้วยกันทั้งลูกทั้งสามีภริยาเดี๋ยวนี้ก็พอในความสุข <c oughs> ไม่ไม่ขาดบุญมันมาก่อมีบุญจิตใจที่มีบุญเคย ปุ่นใจเห็นหน้ากันก็เกิดปุ่นจีนใจชื่นจใกมี่ไหมเห็นหน้ากันเป็นบุญมาปอใจชื่นใจภรรยาให็นหน้าสามเีนาเ น, มนี่ยโอ้เย็นเราสามีเนหน้าภรรยาก็เยน็นเราเพื่อนเห็นกันก็เยน็นเรามันชื่นจใกมันอุ่นใจถ้เาเราก็ให้ความอุ่นจใจแก่ทุกสิ่งทุกอย่างไปช่วย แล้วเราก็คิดอะไรก็เป็นหน้าที่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนอย่างนั้นเจตรัที่คเวจารีกังพรงค์นะให้ตายะพรองค์ชนสุขายะโลการมตายะให้ไปให้ไปอสุทั้งหลายไปไปช่วยเพื่อประโยชน์เพื่อเพื่อคุณแก่คนหมู่มากเพื่อประโยชน์ต่อโลกอ่บอกให้ไป แล้วก็ฝ่ายเด็กฝ่าย้กฝ่ายนี่ไปไปช่วยกันเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นประโยชน์ ต, ตนอย่างเดียวมันเป็นประโยชน์ ต, ต่อโลกด้วยประโยชน์ตนประโยชน์ชาติประโยชน์ ต, น ต, ต่อโลกประโยชน์ต่อพระจากรพรรดิการมาปฏิบัติธรรมเนี่ย มันมีจริงมันเป็นโกะเป็นกรรมมันทำไ ด, นนนได้ความรู้สึกตกัตามมาต 9, 9, 9, วพลิก 9, 1, 9, 1, มือขึ้น14จังหวะก็ได้ความรู้สึกส4บสี่ครั้งทำกลับไปทำมาเดินจงกรงจมองห่งเก้าหนึ่งเก้าลวิบนาทีเก้าหนึ่งวินาทีหนึ่งลูกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งก็ดีประชาก็ไม่ชาเกินไปจะไวก็ไม่ไวเกินไป ถ้าชั่วโมงหนึ่งทะลุทุ ก, ก้าก็สามพันหกรอยลูกมันก็เป็นกอบเป็นกำขึ้นมาเมื่อมันลูกถึงชั่วโมงละสามพันครั้งมันก็ต้องมีมากแน่นอนความหลงก็จะน้อยลงแน่นอนเพราะคนมลูกกับความหลงมันตรงกันข้ามเหมือนกับความมืดกับแสงสว่างดวงอาทิตย์พ้นทองฟ้าพ้นเมฆ แต่เวลานี้แสงเงินกําลังเกิดขึ้นความมืดมีโอกาสหมดไปละแสงเงินน้อยๆแต่ก็กําจัดความมืดได้น้อยนๆถ้าแสงทองเกิดขึ้นก็จกําจัดความมืดได้มากถ้าเกิดดวงอาทิตย์ขึ้นมาก็กําจัดความมืดได้มากความรู้สึกตัวอะไรก็เหมือนกันแต่รู้สิบสี่จังหวัดพอรู้สิบสี่ข้างสิบสี่ข้างสิบสีวิณาทีก็ได้ความรู้สิบสี่ข้งขงขง า, าขง มันก็เป็นกฎแห่งกรรมอย่างนี้นะไม่ใช่ฝล่าไว้ใช่เพ้อฝันนะที่เรามาทํานะิดนไม่ใช่เป็นเรื่องเพ้อฝันเป็นเรื่องจริงเราทําจริงเราสัมผัสได้จริงอ้าวเวลามันหลงเราก็เขียคนความหลงเป็นควารู้ได้จริงๆริงอย่างนีนะ้บางทีมันอาจจะโกรธน ะ, จจะเราเปียคนความโกรธได้จริงๆงในแพ็ตาเดี่ยว เราทำกรรมกระทำกันเนี่มันมันเป็นภาคปฏิบัติมันเป็นภาคที่มีเหตุมีผลทันทีมีเหตุมีปัจจัยทันทีเก้เหตุผลก็เกิดทันทีมีผลก็มีเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นมาเราก็รู้ได้ตอบได้เนี่ยเพราะทาสิ่งนี้มันจึงมีสิ่งนี้นมั่นใจละบ้างเฉลิมเสดิจมั่นใจเอาไปเฉลยกับอะไรก็ได้ เข้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตัวเฉลยเป็นกุญแจเอกเปิดได้ทุกที่นะในชีวิตเรานะเรื่องลูกเรื่องนามเรื่องกายเรื่องใจลองรู้สึตัวอันะนี้ให้มากในชีวิตเราเรามาสร้างตัวนี้กันเฮลิอมอ หลวงพ่อเลานิทานหรือว่าหลวงพ่อเล่านิยายลลหลว ง, งพ่อพูดเรื่องอะไรนะยินไหมได้ยินไหมลวงพ่อพเล่านิยายเนีหลวงพ่อพูดเรื่องอะไรหลวงพ่อพูดเรื่องท่องพ้าเรื่องใต้ดินเน่ยนะหลวงพ่อพูดเร่อพูดเรื่องชีวิตเราทุกคน ที่พูดเนี่ยไม่ใช่เพิกถอนไม่ใช่ปฏิภาณโมหันไม่ใช่ไปจําใครมาถ้าพูดตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สวดออกมาอย่ามาศรัทธาอย่ามาเบื่อนหน่ายอย่ามาศรัทธาอย่ามาเบื่อนหน่ายคนที่พูดคนที่พูดไม่ใช่หลวง พ, อพ่อความเขียนแต่เรียกว่าหลวง พ, อพ่อความเขียนจนคนพูด เป็นธรรมชาติที่ดีเลยชีวิตเราเป็นตัวแทนของชีวิตของท่านทั้งหลายมาบอกพูดเรื่องใดมันมันเป็นตัวแทนให้ท่านลืมหูลืมตาชวนดูเป็นตัวแทนของชีวิตเราทุกคนที่พูดจะพูดกับท่านอยู่ในตัวท่านเป็นตัวท่านพูดเองดวงตาก็ท่านลืมนึ้นมาเองทำพูด ไม่ใช่เล่านี้ออยาไม่ใช่เพิ่มฟันให้ติโสุดให้ถาวอนะสำหรับอะไรก็พอสมควรเจอแล้วสดสักกัตตวาพุทธลัตตนังสักัตตวาธรมลัตตนัสักกัตตวาสังขลัตตนัสดชื่นโดยปุณณธรรมหาเองเองนี่ต้อง ต้องให้มีพอสมควรนะไม่ <c oughs> ใช่แต่ในแต่คนรู้เป็นพยาบาลเป็นนายแพทย์ให้ดังสดชื่นจะไปช่วยคนเห็นหน้าหมอเนยะโอ้กุนใจวันหนั้งหลวงพ่อไปทำพันธันไม่ค่อยเรจอ๋อเขาบอกว่าเขาตรวจตัวเลยโอ้พันธ์หลวงพ่อรักเสร็จต้องขูดเก็บ เจ็บหน่อยนะหลวงพอ่อหลวงพ่อบอกไม่เป็นไรตอนเจ็บในทนได้เขาก็ถ้าเจ็บมากก็บอกนะจะใส่ยาชาหเราก็ทําก็ทำบางถ้าเจ็บก็ถ้าเจ็บก็กบกยกนิ้วขึ้นนะแล้วงพอ่อแล้วก็นอนนั่งก้ทำหลวงพ่อก็ไม่ยกนิว้วเจ็บอยู่แต่ว่าไม่ยกนิ้วเลยเรารู้ว่ามัาทำมันตอนเจ็บนะ พ่อก็ทำให้สักชั่วโมง น, นอหนเอื้อหลักไปหลักไปกับคนเจ็บก็ได้นะใช่ไหมแล้วก็เจ็บก็หลักไม่ได้นะพ่อกาา็เสร็จแล้วแล้วพอ่อก็พ่อก็มว่วนปากเ็บปากเท็อะไรเรียบร้อยลูกออกมาเป็นไงพ้วพอ่วพอเกือบหลักไปเมื่อกี้ท้อดีจ้ะนะแล้วก็มารอทั้งห้องเลยพ่อหมอฝัน ทำไมเราก็จังหลับเราก็ไม่เจ็บหรือเจ็บก็หลับได้หมอเนี่ยพิณีศิลวดีมากทาดีมากเลยเขาหัวรอดกันท่านห้องเลยพวกพยาบาลพวกพว ก, มพวกมหมอฟัน อ, อะไรไดจะไปทุกข์หรือเจ็บก็ทุกข์เลอไม่ทุกข์ก็ได้เจ็บ น, นะเนาะได้ไหมถ้ <Okay. S 1> า ไ, ได้ไเจ็บไปทุกข์ก็ได้แต่ไ แอลเดนกันกันโอะปะกปากฟอกกัน